ขั้นตอนต่อไปที่ที่หลวงพ่อเคยพาคณะสัตยาติยมปฏิบัติทุกวันพระอันดับแรกก็ได้ไหว้พระกราบพระไหว้พระทําวัดเย็นอย่างที่พวกเราได้ทํได้ทมาเมื่อกี้เนี่ยที่ผ่านจบไปแล้วบางทีหลวงพ่อเองก็ให้โอวาทกล่าวแนะนำสั่งสอน ที่หลวงพ่อได้ยินได้ฟังได้ประสบพบเห็นได้ประสบประการมาอย่างไรก็นำมากล่าวมาเล่าเป็นการถ่ายทอดอต่อไปอีกระดับหนึ่งหรือบางครั้งหลวงพ่อก็เด้เปิดเทพครูบาอาจารย์ที่ท่านแสดงทมภาคปฏิบัติให้ศรัทธาญาติโยมฟัง แต่วันนี้หลวงพ่อจะเป็นผู้พูดเองแล้วก็เมื่อพูดตกลงไปแล้วก็จะมีการนั่งปฏิบัติธรรมนั่งภาวนาต่อจากชั่วระยะหนึ่งจากนั้นก็แยกย้ายกันกลับที่พักอันนี้เคยปฏิบัติกันมาทุกวันพระโดยสม่ำเสมอเพราะฉะนั้นวันนี้ก็คงจะปฏิบัติอย่างที่เคยปฏิบัติมา ทที่หลวงพ่อเล่าให้ฟังพูดให้ฟังนี่ก็เพราะบางท่านยังไม่เคยเข้ามาปฏิบัติที่วัดของหลวงพอ่อเอหลวงพ่อจะพาทําอะไรต่อไปเนี้ยฮก็จะได้รู้หลวงนาไปก่อนเอตอนนี้ไปหลวงพ่อจะได้กล่าวสมณีจะกถาเมื่อจบลงไปแล้วก่อนั่งภาวนากันจักชัวระยะหนึ่งจากนั้นก็แยกย้ายกันหาที่พักภาวนา หรือปฏิบัติพักผ่อนตอมามบัตยาศัยนะวันนี้นับว่าเป็นวันมงคลมหามงคลอย่างยิ่งท่านในอำเภออำเภอน้ำโสมพร้อมกับคุณ น, นายและคณะแล้วก็มีพี่น้องประชาชนญาติโยมมาจากอำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นแล้วก็ มาจากจ่าตุรทิศที่มาร่วมทำวัดสวดมนในวันนี้เมื่อเช้าท่านในอำเภอท่านผู้กำกับท่านก็ได้มาใส่บาตรสรุปแล้วกับผู้ใหญ่ในบ้านเมืองให้ความสนใจเป็นผู้พานำพี่น้องประชาชนให้รู้จัก ศีลธรรมและจริยรธรรมที่พวกเราเรียกร้องหาอยู่ตลอดเวลำเวลาคนนั้นที่ท่านในอำเภอท่านผู่กำกับทั้งสองอำเภอและก็พร้อมกับคณะที่ได้เข้ามาวัดสูวัดวาศาสนาหลวงพ่อจึงขอขอบคุณและขออนุโมทนาในกุศลเจตนากับพวกคณะพวกท่าน ทั้งหลายที่ได้เข้ามาปฏิบัติธรรมเป็นตัวอย่างของอนุชนรุ่นหลังเพราะนั้นวันนี้นับว่าเป็นวันมงคลมหามงคลอย่างยิ่งที่คณะได้เข้ามาอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวเกินเบื้องต้นเรื่องศีลธรรมและจริยธรรมเราจะให้ใครบุคคลใดบุคคลหนึ่งกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งคณะใดคณะหนึ่ง เป็นผู้รักษาศีลธรรมจริยธรรมถ้าคิดอย่างนั้นไม่ถูกควรจะให้พระสงฆ์เท่านั้นเป็นผู้รักษาศีลธรรมและจริยธรรมพวกอื่นไม่จําเป็นถ้าคิดอย่างนั้นพระสงฆ์ท่านก็รักษาเฉพาะกลุ่มของท่านแล้วกลุ่มอื่นที่ไม่มีศีลธรรมจริยธรรมในจิตใจก็จะทําให้ประเทศชาติบ้านเมืองกลุ่มเดือดร้อนได้ มากที่เดียวเพราะจะร่มเย็นเป็นสุขแต่ในกลุ่มนั้นเท่านั้นถ้าเป็นข้าราชการข้าราชการเท่านั้นจึงจะเป็นผู้มีคุณธรรมมีศีลธรรมมีจริยธรรมกลุ่มอื่นไม่จำเป็นความร่มเย็นเป็นสุขก็จะเกิดขึ้นในกลุ่มของข้าราชการเท่านั้นกลุ่มพี่น้องประชาชนก็จะมีการ ยุ่งเจยิงวุ่นวายกันลบลาข้าวฟันป่นจี้ทำออกนอกลู่นอกทางขาดศีลธรรมแต่ถ้าว่ามอบให้พี่น้องประชาชนเท่านั้นเป็นผู้มีคุณธรรมมีศีลธรรมมีจริยธรรมพวกอื่นไม่จำเป็นก็จะวุ่นวายไปในลักษณะทั่วถึงกันเด็กนักเรียนเท่านั้นเด็กมหาวิทยาลัยเท่านั้นสมควรที่จะเป็น ควรจะศึกษาให้มีคุณธรรมมีจริยธรรมผู้ใหญ่ไม่จําเป็นก็จะทําให้ยุ่งเหิงพุ่นวายเดือดร้อนเช่นเดียวกันเพราะนั้นเรื่องคุณธรรมศิลธรรมจริยธรรมที่พวกเราจะนํามาประพฤติปฏิบัตินี้จําเป็นกับทุกคนจําเป็นกับทุกท่านไม่ว่าพระสงฆ์องค์เจ้าไม่ว่าข้าราชการระดับไหนไม่ว่าครูบาอาจารย์ไม่ว่าพี่น้องประชาชน คนในชาติทุกคนมีความจําเป็นหรือมีความตราหนักในใจไว้อยู่เสมอว่าทุกคนต้องมีคุณธรรมมีศีลธรรมมีจริยธรรมประจําใจไม่มากก็ต้องน้อยอย่างศีล5้าอย่างนี้ทุกคนจําเป็นจะต้องมีศีลห้าถ้าว่าไม่ได้ศีลห้าศีลข้อหนึ่งได้ไหมให้เคร่งครัดหรือศีลข้อสองได้ไหม หรือรักษาสินข้อสได้ไหมหรือสินข้อหนี่ได้ไหมหแต่และข้อละข้อในสีห้าข้อถ้าได้สองข้อได้ได้สามข้อก็ยิ่งดีถ้าไม่ได้เเลยขาดศีลธรรมอย่างขาดศีลห้าอย่างรุนแรงประเทศชาติบ้านเมืองเขาคงจะหาความสงบร่มเย็นเป็นถูกได้ยากเพราะนั้น พวกเราทั้งหลายอย่ามองข้ามว่าศีลธรรมหรือจริยธรรมเป็นของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งคณะใดคณะหนึ่งบุคคลใดบุคคลหนึ่งเรื่องศีลธรรมมีหน้าที่รละมีความจำเป็นสำหรับทุกทุกท่านการที่จะสั่งสมคุณงามความดีนั้นให้พวกเรานับหนึ่งจากเราไปคนอื่นจะเป็นยังไงก็ตามเพราะเราจะทำให้คนอื่นเป็นคนดีคนดีนั้นทำได้ยากสอนให้คนอื่นทำดีนั้น ถอนระยากได้บ้างเสียบ้างแต่ว่าข้าพเจ้าจะเป็นคนดีข้าพเจ้าจะเป็นพระที่ดีองค์หนึ่งข้าพเจ้าจะเป็นราชการที่ดีท่านหนึ่งข้าพเจ้าจะเป็นผู้เฒ่าผู้แก่ผู้มีศีลมีธรรมคนหนึ่งข้าพเจ้าจะเป็นพลเมืองดีของชาติคนหนึ่งถ้าทุกคนมีความ ในใจไปอยู่อย่างนั้นอยู่เสมอคือนับหนึ่งจากข้าพเจ้าอย่าไปนับหนึ่งคนอื่นนับหนึ่งจากข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะเป็นคนดีข้าพเจ้าจะเป็นผู้มีคุณธรรมมีศีลธรรมมีจริยธรรมตามแนวแถวของพระพุทธเจ้าตามแนวแถวของพื้นเพประเพณี ข, ของบ้านเมืองที่ปฏิบัติกันมาโดยสม่ำเสมอตั้งแต่โพรโมโบราณท่านมีอะไรมีสัมมาคา ร, ระวะรู้จักสูงรู้จักต่ำ รู้จักพี่รู้จักน้องรู้จักการเสรือเผื่อแผ่มีน้ำจิตน้ำใจคนในชาติประเทศชาติไทยของเราตั้งแต่โบ ร, โบราณมาท่านก่อนแนะนำสั่งสอนลูกหลานพี่น้องประชาชนมาโดยตลอดให้รู้จักสัมมาคารวะให้รู้จักสูงรู้จักต่ำให้รู้จักกาละเทศะบุคคลควรจะทำตัวอย่างไรในชุมชนและสังคมนั้ น, น, นการอยู่ร่วมกันไม่เอารัดเอาเปรียบกันจนเกินไป อย่างนี้คนโบราณท่านสอนมาโดยสม่ำเสมอเพราะฉนั้นพวกเราให้ส้ำนึกสําเนียก ว, ยว่าเราคนหนึ่งจะยึดแนวแถวประเพณีอันดีงามจากปุรัมโบราณที่ท่านแนะนําสั่งสอนลูกหลานที่ได้รับความสงบร่มเย็นเป็นสุกมาโดยสม่ำเสมออันนี้ให้นับหนึ่งจากเราไปถ้าใครหรือพวกเราทําอย่างนั้นได้หนึ่งบวกหนึ่งเป็นสอง สองบวกสองเป็นสี่จะนับไปเรื่อยๆผลที่สุดต่างคนก็ต่างนับออกจากตัวเองไปหลายคู่หลายคนต่อไปมันก็จะมากเองแต่เราคิดว่าคนนั้นน่าจะทําความดีคนนี้น่าจะทําความดีตัวเองไม่มองตัวเองไอ้อันนี้แปลว่าในหลักธรรมคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วท่านว่าไม่ถูกต้องเพราะนั้นพวกเราทุกทกท่านเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วก็นาไปคิดนําไปพิจารณาไตรตรอง เหตุและผลที่ลุงพ่อได้กล่าวศีลธรรมและจริยธรรมนี่เราเรียกร้องหาจากใครถ้าทุกคนไม่เตรียมพร้อมทาให้มีศีลธรรมกับทุกคนแล้วเราจะเรียกร้องหาจากใครทนนั้นก็ไม่มีคนนี้ก็ไม่มี อ, อตำรวจก็ไม่มีทหารก็ไม่มีปกครองไม่พระสงฆ์องค์ข้าเจ้าก็ไม่มี อ, อพิพากษาอายการไม่มี อ, อ เราจะเรียกร้องหาใครเรื่องความเป็นธรรมมันเรียกร้องไม่ได้ถ้าทุกคนเป็นธรรมอยู่แล้วไม่ต้องเรียกร้องมองดูรู้ได้แลว้วอันนั้นเป็นธรรมอันนี้ไม่เป็นธรรมอันนี้ถูกต้องอันนี้ไม่ถูกต้องพวกเราจะรู้ได้ด้วยการประพฤติปฏิบัติของพวกเราเพราะนั้นเรื่องคุณธรรมเรื่องศีลธรรมเรื่องจริยธรรมจําเป็นอย่างยิ่งในกลุ่มที่พวก เราอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มเป็นหมู่เป็นคณะเป็นประเทศชาติบ้านเมืองแต่ทุกวันนี้ที่ได้ยินได้ยินมาต่างคนก็ต่างเรียกร้องว่าขาดจริยธรรมขาดศีลธรรมในประเทศชาติเด็กก็ไปอีกรูปแบบหนึ่งผู้ใหญ่ก็ออกไปอีกรูปแบบหนึ่งพระสงฆ์องค์เจ้าก็ออกไปอีกรูปแบบหนึ่งข้าราชการก็ออกไปอีกรูปแบบหนึ่ง สลบแล้วก็คือต่างคนก็ต่างว่าตัวเองฉลาดตัวเองมีสติปัญญาเสียแลปลมหลบหลบปลีกลปลีกหลบเลียกออกจากกฎเกณฑ์ที่ได้ตั้งกันเอาไว้ผลที่สุดความเรือดร้อนวุ่นวายก็เกิดขึ้นในคนในชาติไม่ไปที่อื่นพวกเราขวอยวายกันหวานเด็กไม่อยู่ในกรอบในศีลในธรรมแต่ที่แท้ก็คือผู้ใหญ่เป็นผู้พานําเป็นผู้พาประพฤติปฏิบัติ เด็กเขาก็เดินตามพอเด็กเดินตามผู้ใหญ่ก็โวยวายในเมื่อโวยวายขึ้นมาแล้วแล้วจะทํำยังไงตามไม่จริงที่พว ก, กเราท่านทั้งหลายเป็นผู้ใหญ่เข้าสู่วัดวาศาสนาเป็นผู้นําแล้วเข้าปฏิบัติศีลธรรมอย่างที่ท่านนายอําเภอพาทำในวันนี้หลวงพ่อวัตถุต้องเพราะผู้ใหญ่พาเข้าวัดแล้วผู้ใหญ่ เขาไปในทางที่ถูกต้องแล้วหัวไม่สสยหางไม่กระดิกอย่างที่เขาว่าถ้าว่าหัวเป็นธรรมแล้วทั้งหางมันก็ค่อยนิ่งนิ่งนิ่งลงไปจากนั้นก็เป็นศีลธรรมด้วยการทั้งหมู่ทั้งกลุ่มทั้งคณะทั้งหมดคนในชาติแต่ถ้าว่าผู้ใหญ่ที่เป็นหัวหน้าแหวกแนวออกไปซะแล้วจะให้หางสงบนิ่งก็คงเป็นไปได้ยาก เพราะนั้นในหลักของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าท่านจึงเน้นนักหัวหน้าเนี่ยหัวหน้าที่ต้องเน้นน่กสอนหัวหน้าหัวหน้านี่ยคืออะไรในหลักของพุทธศาสนาเนี่ท่านเน้นหนักคือใจใจนี่คือหัวหน้าทุกสิ่งทุกอย่างในร่างกายของเราเนี่ยคือใจเป็นหัวหน้ามีลูกน้องอยู่สองคือร่างกายกับวาจากายกับวาจาเนี่ยเป็นลูกน้องของใจ เป็นลูกน้องคนสนิทของใจใจนี่เป็นหัวหน้าพราะพระพุทธเจ้าท่านเน้นหนักเลยบ่กมโนโปุพังขมาธรร ม, มามาโนเศรษฐามาโนมายาเรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าฮะสาเร็จแล้วด้วยใจใจเป็นหัวหน้าหัวหน้าร่างกายหัวหน้าวาจาถ้าหากว่าใจที่ได้รับการอบรมมีคุณธรรมมีศีลธรรมมีจริยธรรมดีแล้วการพูดออกไปก็เป็นศีลเป็นธรรม อ, อไม่เ อ, อมุสา อ, อไม่เป็นวาจาที่ไม่เหมาะสมเ อ, อเป็นสัมมาวาจาแต่ถ้าว่าใจของเราไม่ได้ไม่ได้ไไดรับการอบรมแล้วใจของเราเป็นนักเลงใจของเราเป็นเ อ, อคิดไปนในทางอากุศนแล้วการพูดออกไปก็เป็นฝ่ายอากุศล ไปเข้าหูใครก็ไม่เป็นที่ยอมรับเพราะว่าการพูดออกไปไม่มีคุณธรรมไม่มีรัศินธรรมไม่เจอไม่มีจริยธรรมแต่ถ้าว่าหัวหน้าดีการพูดออกไปก็ได้รับความยอมรับและการกระทําออกไปถ้าหัวหน้าดีการกระทําออกไปก็เป็นที่ยอมรับแต่ถ้าว่าหัวหน้าไม่ดีให้การกระทําออกทางกาย มีตะมัดมีตะมวยเอมีตะศอกมีตะเขา่าออาจแสดงอากับกฤติยาทางตาเอตาทะมึงตาทะลึงใสอย่างนี้เป็นต้นก็ไม่เป็นชลิไม่เป็นมงคลแก่ผู้ได้พบได้เห็นเพราะเหตุไรเพราะใจที่เป็นหัวหน้านั้นไม่มีคุณธรรมไม่มีศีลธรรมไม่จริยธรรมไม่ได้รับการอบรมที่ดีแต่หากว่าใจของ ท่านผู้ใดก็ตามได้รับการอบรมที่ดีมีศีลธรรมมีจริยธรรมแล้วอย่างพระอรหันต์อย่างพระพุทธเจ้าของเราเป็นตัวอย่างพระพุทธเจ้าท่านแตก่ก่อนท่านก็เป็นปุตุชนธรรมดาถึงท่านจะเป็นพระมหากษัตริย์ท่านก็ยังมีกิเลสราคะโทสะโมหะอย่างบริบูรณ์เต็มเปี่ยมด้วยกิเลสทั้งหลายแต่พระองค์ออกไปบําเพ็ญที่อยู่ในป่า บำเพ็ญอยู่ในป่าหปีพระองค์ก็ได้ตัดสู้ธรรมชำระใจของพระองค์ให้หมดจดจากกิเลสคือราคะโทสะโมหะเป็นอริยบุคคลเต็มเปี่ยมเป็นพุทธะไม่มีกิเลสราคะอันนี้แปลว่าหัวหน้าท่านชำระหัวหน้าดีหัวหน้าของท่านคือใจของท่านบริสุทธิ์ผุดผ่องไม่มีที่ตำหนิท้านจะว่าเที่ยงตรงเที่ยงตรงที่สุด จะว่าขาวสะอาดขาวสะอาดที่สุดไม่มีอะไรที่จะเปรียบเทียบได้ในจิตของพะอระอรหันต์ถ้าจะว่าเป็นธรรมเป็นธรรมที่สุดไม่มีใครที่จะยิ่งกว่าจิตของจิตใจของพะอระรพอรหันต์เพราะท่านไม่มีเสื้อที่จะทําให้กลัวให้กล้ากลัวก็ไม่มีกล้าก็ไม่มีรักก็ไม่มีชังก็ไม่มีโลภก็ไม่มีเอต้องการยศถาบรรดาศักดิ์ไม่มีทั้งนั้น ความเป็นธรรมอยากก็ไม่อยากไม่อยากก็ไม่อยากไม่อยากาย ก, ยาก็ไ ม, กม่ก็มีอยากก็ไม่อยากอีกแปลว่าเป็นผู้พอแล้วเสมอตัวไม่มีอะไรที่จะขาดตกบกพร่องในความบริสุทธิ์ตัวจิตของท่านพระจิตของท่านอันนี้แปลว่าหวหน้าท่านดีหัวหน้าท่านอบรมดีแล้วฝึกหัดดีแล้วไตรตรองดีแล้วแก้ไข ทุกสิ่งทุกอย่างดีแล้วเป็นผู้บริสุทธิ์บริบูรณ์แล้วอันนั้นแปลว่าหัวหน้าดีแต่พวกเราท่านทั้งหลายอันนี้พวกเราที่เข้ามาเนี่ยกำกำลังจะมาฝึกฝึกฝนหัวหน้าคือใจของพวกเราท่านทั้งหลายนี่แหละใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าถ้าหัาใจ ท, ที่หัวหน้าดีแล้วถ้าเราจะเปรียบเทียบหัวหน้าโลกดีเดี๋ยวนี้มีโลกตะกอนมีโลกมีสองขั้วใ ขมมนิสประชาริปไตยแต่ทุกวันนี้มีขั้วเดียวถ้าหัวหน้าที่ถืออำนาจโลกที่มีอำนาจใหญ่ถ้าเป็นผู้มีศีลธรรมมีมจริยธรรมโลกในยุคนั้นก็นสงบพรมเย็นเป็นสุขถ้าหัวหน้าประเทศถ้าหัวหน้าประเทศมีคุณธรรมมีศีลธรรมมีมมจริยธรรมมีเมตตาอบอ้อมอารีใจเขาใจเราเราต้องการยังไงผู้อื่นต้องการอย่างเราเราต้องการอย่างผู้อื่น เอาใจเขาใส่ใจเราเอาใจเราใส่ใจเขาให้มีคุณธรรมมีศีลธรรมมีจริยธรรมประเทศนั้นก็ร่มเย็นเป็นสุขจนมาถึงผู้ว่าราชการจังหวัดผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้มีคุณธรรมศีลธรรมที่เป็นหัวหน้าจังหวัดนั้นก็ร่มเย็นเป็นสุขมาถึงอำเภอนายอำเภอมีคุณธ ร, รรมมีศีลธรรมจริยธรรมอำเภอนังก็ร่มเย็นเป็นสุขมาถึงกำ น, นัตนตำบล แล้วถึงหมู่บ้านผู้ใหญ่บ้านตลอดถึงหัวหน้าครอบครัวหัวหน้าวัดไล่เรียงตามลําดับถ้าหัวหน้าดีทุกอย่างก็มีส่วนดีไปด้วยแปลว่าเกินครึ่งว่างั้นถ้าหัวหน้าดีแล้วเกินครึ่งถ้าว่าคนในชาติหรือว่าคนในกลุ่มนั้นถ้าหัวหน้าไม่เห็นด้วยไม่เอาด้วยแล้วไม่กล้าเหมือนกันเพราะฉนั้นหัวหน้าในสมควรอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับการอบรม ให้มีคุณธรรมมีศีลธรรมมีจริยธรรมอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวผะ น, นั้นพวกเราท่านทั้งหลายที่ได้ยินได้ฟังวันนี้หลวงพ่อว่ากล่าวถึงหัวหน้าควรจะอบรมอย่างไรทีนี้อบรมหัวหน้าอบรมอย่างไรในหลักของพุทธศาสนาที่ พ, พระพุทธเจ้าท่านไปอบรมอยู่ในป่าถึงหกปีท่านลองผิดท่านลองถูกท่านอบรมใจของพระ อ, องค์ ที่จะอบรมได้ถูกต้องเป็นธรรมหรือว่าแม่นยําเป็นมาตรฐานหรือว่าเป็นที่พระพุทธองค์ยอมรับเรียงลําดับลงมาเกิดวันเดือนหกเพนวันที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมวันนั้นเป็นวันที่พระพองค์อบรมหัวหน้าอย่างเข้มข้นยอมรับถูกต้องเป็นธรรม หัวหน้ายอมรับในเรื่องทั้งทั้งหลายทั้งปวงรู้แจ้งเห็นจริงว่าสิ่งไหนควรทำสิ่งไหนไม่ควรทำสิ่งไหนควรพูดไม่ควรพูดสิ่งไหนควรคิดไม่ควรคิดพระพุทธองค์รู้ในวันเดือนหกเพลน่อนที่ท่านจะรู้ท่านทำอย่างไรพระพุทธองค์ท่านก็บอกท่านบอกว่าในวันเดือนหกเพ่ น, นั้นพระจันทร์เต็มดวงตอนหัวค่านายโสธยะนาญาคา มาคงจะเดินผ่านไปมัเขาเ็เลยถวายท่านมอบถวายท่านแปดกำ ม, มือยาคาแปดกำ ม, มือมาเกลีย่ยลงที่โคนต้นโพเป็นอาชนะหรือเป็นบรรลังสรุปแล้วก็คือปูให้มันนิ่มมั้ ง, งั้นแปดกำ ม, มือจากนั้นพระองค์ก็นั่งที่ยาคาหันหน้าไปทางทิศตะวันออกทำกายให้ตรง ดำรงสติเฉพาะหน้าจากนั้นพระ อ, องค์ก็นึกย้อนไปถึงในอดีตว่าสมัยหนึ่งเราเป็นเด็กไปแลกนาควันกับพระปิดาพี่เลี้ยงนางนมนำเราไปพักไว้ที่โคนที่ร่มต้นว่าพี่เลี้ยงนำนางนมไปดูกันทาพิธีแลกนาควันให้พระ อ, องค์ ประทับอยู่ลำพังพระ อ, องค์เดียวอยู่ที่โคนต้นวาในขณะที่พระ อ, องค์กําลังบรรทมหรือกําลังนอนหลับอยู่พระ อ, องค์อย่างตัวลเล็กๆอย่างตัวน้อยอยู่แต่พอตื่นขึ้นมาพี่เลี้ยงนางนมไม่มีพระ อ, องค์อยู่ตามลําพังพระ อ, องค์เดียวพระ อ, องค์ก็ลุกขึ้นมานั่งนั่งขัดสมาธิขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้าย ทำกายให้ตรงดำรงสติเฉพาะหน้ากำหนดกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกจิตของพระองค์เข้าสู่ความสงบเกิดญาณทัศน์ในช่วงนั้นเป็นครั้งแรกโดยที่ไม่มีใครสอนท่านเพราะยังเป็นตัวเด็กอยู่ขนาดอุ่มไปนอนอยู่ที่โคลนตนว่าที่ร่มตนว่าชายทุ่งชายทุ่งนาที่จะไปแลกนาควัน สมัยก่อนเขาคงจะแลกนาขวัญคงจะไม่เป็นอย่างที่ทุกวันนี้เขาคงจะเอาของจริงเลยคงเราจะดัะงนั้นจึงมีตำราที่ออกมาว่าสิทธะไปนอนอยู่ที่โคนตนว่าร่มตนว่าชายท้องนาตามลําพังพระองค์ผีเลี้ยงนางนมไปดูการแลกนาขวัญเขาคงจะสนุกสนานคือพระเจ้าเป็นดิน ไถนาแลกนาขวัญตอนนี้ศิทธัตถะท่านก็นั่งอยู่ที่โคลนต้นว่าตามลําพังไม่มีใครยุตอยู่ในบริเวณนั้นท่านก็นั่งสมาธิกําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกทําไมศิทธัตถะท่านจึงทําอย่างนั้นท่านเป็นเด็กท่านรู้ได้ยังไงท่านสอนใครเป็นคนสอนท่านอันนี้ ใ น, ในตำราท่านก็ไม่ได้ว่าเอาไว้แต่หลวงพ่อนึกได้เลยว่าเมื่อกี้ว่าไม่ผิดด้วยเพราะท่านมีอุปนิสัยเก่าตั้งแต่ในอดีตชาติท่านเคยเป็นฤาษีสีภยัยปฏิบัติธรรมมายจนโชคชนชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของพระ อ, องค์เพราะนั้นเกิดมาไม่รู้กี่ภพกี่ชาติท่านได้บําเพญมาเรื่องการนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมมัน เป็นอาจินอยู่แล้วเป็นนิสัยอยู่แล้วอย่างพวกเราท่านทั้งหลายที่มาฝึกหัดนั่งภาวนาในสถานที่ต่างๆหรือวันนี้ก็เถอะต่อไปภายภาคหน้าก็เป็นอุปนิสัยในการประพฤติปฏิบัติของเราไม่เสียหายไปทางไหนเป็นอุปนิสัยอันนี้ก็เหมือนกันศีรษะที่ท่านนั่งเนาะก็คือเป็นอุปนิสัยของพระ อ, องค์พระ อ, องค์ไม่มีใครสอนแต่เป็นอุปนิสัยเก่า เป็นอุปนิสัยดั้งเดิมเป็นบุญกุศลของเก่าเป็นบุญกุศลที่ดั้งเดิมที่เคยประพฤติปฏิบัติมาท่านก็ําในสิ่งที่ถูกต้องจากนั้นจิตพระองค์เข้าสู่ความสงบเกิดญาณทัศนะในเป็นอันดับแรกจากนั้นมาพี่เลี้ยงนางนมก็เข้ามาพระองค์ก็ออกจากสมาธิจากนั้นไม่ได้ยินว่าพระพุทธองค์ได้ทําสมาธิอีก ต่อมาก็เป็นหนุ่มเป็นสวย เ, เป็นพระเจ้าแผ่นดินผือพระปิดาม่อภัยมีครองราชมีอัะคมเหสีจนถึงมีบุตรอายุถึง29ปีพระ อ, องค์ดำรงความสุขทางครวาดตั้งแต่เด็กจนถึงอายุ29ปีจากนั้นพระ อ, องค์จึงได้เห็น เกิดความฉรดุดจังเวชเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายต่อหน้าพระองค์จึงได้เสียสะละลวนหนีออกไปบวชที่จะหาทางที่ว่าไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายนั่นะจะทําอย่างไรจึงได้หนีออกจากเวียงจากวังไปอยู่ตามลําพังพระองค์เดียวพระองค์เองอยู่ที่โคนต้นโพอย่างที่ว่าป่าอิสิปัปตนมิกทายวัน จากนั้นพระองค์ก็บําเพ็ญอยู่ถึงเวลาถึงหกปีอย่างที่ว่านะวันนั้นวันเดือนหกเพนนนั่นนะ่ะที่ว่านั่งอยู่โค้นต้นโพนายโสธิยะํายาคามาถวายหันหน้าไปทางทิศตะวันออกทํากายให้ตรงดำรงสติเฉพาะหน้าขัดสมาธิเหมือนกับพระประธานที่พวกเราท่านทั้งหลายเห็นต่อหน้านนะ่ะท่านนั่งอย่างนั้นหลับตา จากนั้นพระ อ, องค์ก็นึกย้อนไปถึงจิตถตสมัยท่านเป็นเด็กอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวท่านน่ลึกถึงเออสมัยนั้นเมื่อเราเป็นเด็กเรานั่งสมาธิกําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกจิตของเราก็สู่ความสงบอันนั้นกําลังเป็นหนทางจากนั้นพระ อ, องค์ก็กําหนดลมหายใจที่โคนต้นโพวันเดือนหกเพนธ กำหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกไม่ได้ส่งจิตไปทางอื่นไม่ได้ส่งใจไปทางอื่นจิตใจนิ่งอยู่กับกรรมฐานเรียนิ่งอยู่กับที่พระองค์กําหนดไว้คือลมหายใจไม่ให้ส่งไปทางอื่นจากนั้นพระจิตของพระองค์ก็เข้าสู่ความสงบเป็นหนึ่งจิตเข้าสู่ความสงบเป็นหนึ่งเกิดญาณทัศนะเรียกว่าเกิดฌานญานณทัศนะเกิดยาน สิ่งอย่างรู้เรื่องต่างๆปฐมมยามคือตั้งแต่สี่ทุ่มลงมาเรียกว่าปฐมยามตั้งแต่สี่ทุ่มไปถึงตีหนึ่งตีสองเรียกว่ามัดฉิมมยามตีสามตีสี่ไปถึงสว่างเรียกว่าปัดฉิมมยามปฐมมยามมัดฉิมมยามปัดฉิมมยามสรุปแล้วก็คือท่านจัดเป็นสามยามยามหัวค่ํายามเที่ยงคืนยามสว่างอันนี้เมื่อ ยามหัวค่ำพระพุทธองค์นั่งสมาธิเกิดยานทัศนะขึ้นมาปิดเป็นจิตเมื่อรวมเป็นหนึ่งแล้วน้อมจิตและลึกถึงอดีตชาติท่านจึงได้ยานเทว่าปุเพเนว า, านุสติยานและลึกชาติหนหลังได้นี่แ่ะอันนี้ก็คือความรู้ของพระพุทธเจา้าเพราะนั้นพวกเรานับถือพระพุทธเจา้านับถือระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจา้า พวกเราต้องตั้งความเชื่อไว้เลยว่าตายแล้วไม่ศูนย์เพราะพระพุทธเจ้าจได้ตัดสรุป ธ, ธรรมวันนั้นน่ะวันเดือน6เพนนีคือปุเพในวาสารนสติยานญญเป็นอันดับแรกและลึกชาติผลหลังได้แต่ถ้าว่าพระพุทธเจ้าจตายแล้วศูญพระพุทธเจ้า จ, จะระลึกชาติผลหลังได้ยังไงระลึกไม่ได้พราอมีชาติเดียวเพราะนั้นพระพุทธองค์ระลึกชาติผลหลังได้กี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นกี่แสนชาติจนถึงรู้เลยว่าพระพุทธเจ้าจได้ บำเพ็ญตัดรู้ที่บำเพ็ญพุทธะมาเนี่ยสมัยไหนพระองค์รู้หมดที่โคนต้นโพในวันนั้นกี่ปีกี่เดือนกี่พบกี่ชาติถึงมาถึงจะได้ตัดรู้ธรรมในวันวันเดืนเินอกเพนนั้นอันนี้พระองค์รู้หมดว่าพระองค์ปรารถนาจากพระพุท ธ, ธเจ้าอ ง, องค์ไหนเออได้รับได้รับพยากรจากพระพุท ธ, ธเจ้าองค์ไหน อ, อย่างเนี้ยพระองค์รู้หมด พอถึงเที so ES, ่ยงคืนจตูปปาทายานพระพุทธองค์มองดูสรรพสัตทั้งหลายการจุติการเกิดการตายของสรพพสัตพระพุทธองค์ก็รู้หมดว่าสรรพสัตทั้งหลายเกิดแก่เจ็บตายมาจากที่ไหนมาเกิดพวกเราแต่ละคนมาจากที่ไหนมาเกิดมาเกิดแล้วออกจากนี่เราจะไปที่ไหนพระพุทธองค์ก็รู้หมดถ้าว่าใครทํากรรมชั่วกรรมชั่วก็จะพาเข้าไปไปตกนรกหลุมนั้นหลุมนี้พระพุทธองค์ก็รู้หมด ถ้าว่าใครทำกรรมดีสั่งสมคุณงามความดีออกจากชาตินี้แล้วเขาจะไปที่ไหนเพราะพระโตรงก็รู้หมดอันนี้ประวัติจุตูปะปาตะยานการเกิดการตายของสรรพสัตว์ทั้งหลายอยู่ในญาณทัศน์นะของพระพุทธเจ้ายามสุดท้ายคือวายามสว่างอาสาวกายยยานยานอย่างรู้ว่าพระพุทธองค์หมดกิเลสตัดกิเลส พระองค์พิจารณาปฏิจจสมุปบาทอวิชชาปัจจะยาสร้างฆ่าราแค่ว่าใจดวงนี้มันมาจากไหนตัวผู้รู้มันมาจากไหนจึงมาเกิดอย่างนี้จึงรู้อย่างนี้เห็นอย่างนี้มันมาจากไหนจึงมาจึงได้มาอย่างนี้มาเกิดอย่างนี้เห็นอย่างนี้รู้อย่างนี้ท่นานก็ย้อนดูพระจิตของพระองค์มาจากตัวอวิชชาตัวอวิชชาคือตัวไม่รู้อตัวไม่รู้น่ะคือเป็นพื้นฐาน เป็นพ่อแม่เป็นแม่ของจิตวิญญาณที่ว่าอวิชชาปัจจยาสร้างฆาราอวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารอวิชชาปัจจยาสร้างฆาราสร้างฆาราปัจจยาวิญญาณังสังขารเป็นนําทําให้เกิดวิญญาณท่านก็ไล่มาเรื่อยจนโสกะปริเทวัตุขโทมณสุอุปายาตเกิดมาจากตัววิชาจึงทําให้เศร้าโศก ร้องให้พิไรรำพันทั้งหลายมาจากตัวอวิชชาเพราะฉะนั้นพระองค์รู้แล้วก็ย้อนอวิชชาเกิดมาจากไหนใคร ห, ห, ห่อห้มด้วยอะไรก็ห่อหุ้มด้วยกิเลสราคะโทสะโมหะพระพุทองค์ใช้ตปะธรรมคือศีลสมาธิปัญญาที่พระพุทธองค์ได้สั่งสมดีแล้วเอามาสกัดเอามาเผาเอามากันกรองออก จิตของพระ อ, องค์หลุดออกจากกิเลสเกิเลสราคะโทสะโมหะหลดออกจากใจของพระ อ, องค์จิตของพระ อ, องค์เข้าสู่ความบริสุทธิ์เป็นหนึ่งความบริสุทธิ์หลุดพ้นไม่มีอันไหนที่จะเปรียบเทียบได้นี่แหละในวันเดือน6กเพนผู้พระ อ, องค์ได้ตัดจรู้อย่างนั้นพร้นนั้นอย่างพวกเราท่านทั้งหลายว่าผพระองค์ได้ตัดจรู้อะไรในวันเดือนหกเพนพูดได้เลยว่าสามอย่างาได้ตัดจะรู้บรรลุธรรม สมอย่างปุเพเนวาสานสิติยานจุตุป ป, ปาทะยานอาสาวกายายานเอออันนี้คือการบรรลุของพระพุทธเจ้าแต่ท้นีด้มาย้อนถึงพวกเราท่านทั้งหลายที่นี่พวกเราท่านทั้งหลายจะทํำยังไงถึงจะไม่ได้บรรลุธรรมอย่างพระพุทธเจ้าแต่เราจะทํำยังไงเราจึงจะมีความร่มเย็นเป็นสุขในขณะที่เราอยู่เดี๋ยวนี้ ถึงเราจะอยู่นอนอยู่กับกิเลสนอนอยู่กับอัสรพิษนอนอยู่กับสิ่งแปลกปลอมลหลายหลายอย่างแต่เราจะทํำยังไงเราจะอยู่กับสิ่งเหล่านั้นออไม่ให้มันกัดมันฉกเราจนเกินไปเราจะทํำยังไงจึงจะอยู่ด้วยความสงบร่มเย็นเป็นสุขได้ตามอัตภาพตัวการเป็นอยู่นี่อันนี้เราก็ควรจะนํามาประยุกต์เอามาใช้สําหรับพวกตัวของเราท่านทั้งหลาย คือนำเอาพระธรรมหรือ ว, ว่าเอานําสมาธิธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ตัดจรู้ธรรมนั่นแหละคือบรรลุที่โคนต้นโพนั่นน่ะพระพุทธองค์ได้บรรลุได้ตัดจรู้พระพุทธองค์ทำอย่างไงจึงได้ตัดจรู้ธรมรมปุเพนวาสนานุสติญาณอันนี้พวกเราก็นําสมาธินั่นแหละทีนี้ทาจิตให้สงบน่ะพระพุทธองค์ทำอย่างไง ในเมื่อจิตสงบเป็นหนึ่งแล้วเหมือนกับเราอยู่ในเกราะในสตามเพาะหรือว่ามีสิ่งปกป้องหรือเราอยู่ในที่ปลอดภัยเหมือนกับมรสุมดินฟ้าอากาศร้อนอบอ้าวหรือว่ามีลมพัดกระโชกอย่างแรงฟ้าฝนขนองเราก็มีที่มุงที่บงัง เหมือนกับเรามีอยู่ในบ้านอยู่ในที่ร่มออยู่ในเกาะไม่ให้สิ่งเหล่านั้นเข้ามากระทบกระแทกเราได้อันนี้คืออะไรท่านก็บอกว่าสมาธิสมาธินในเมื่อจิตของเราเข้าสู่สมาธิแล้วโลกกระทำทั้งหลายนินทาก็ดีสนรเสริญก็ดีเอะจะเข้ามากระทบกระแทกจิตใจของเราไม่ได้ พอเรามีสิงกำบังมีราบเราก็พอทำเนาดีอกดีใจมันก็กระทบเข้ามาเสื่อมราบเนี่ยเสียใจมีราบเสื่อมราบมียศเสื่อมยศนินทาสรรเสริญสุขทุกข์โลกธรรมแปดนี่แหละที่มากระทบกระแทกใจของเราให้อยสะท้านหวั่นไหวอยู่ตลอดเวล่ําเวลาถ้าหากว่าเรามีเครสิงกำบังคือสมาธิถ้ามันมีทกขึ้นมาเ อ, อ ทุกล้มหายตายจากทุกป่วยทุกไข้ทุกออใครก็ตามออดูถูกเหยียดย้ำอะไรเราก็ตามออถ้าเมื่อเราได้ยินได้เห็นได้ยินสิ่งเหล่านั้นเราหลบจิตเข้ามาสู่สมาธิไม่ต้องไปรับรู้รับสาราบดูใจคนตนเองให้จิตใจเป็นสมาธิเหมือนกับเราเข้ามาอยู่ในที่กำบังใจของเราก็ไม่เดือดร้อนไม่บุหวายแต่ถ้าว่าเราไม่มีสิ่งที่กำบัง ถ้าว่าโลกกระทำเข้ามากระแทกอย่างนั้นเราก็ออกไปต้อนรับไปต่อสู้กับเขาผลที่สุดเ อ, อเราก็ต้องเหมืยอ่อนเหมื่อยล้าผลที่สุดใจของเราก็ปรุงฟุ้งส่านไม่อยู่กับเนื้อกับตัวผลี่สุดก็เลยเป็นบ้าเป็นบอไปกับสิ่งเหล่านั้นไปได้เพราะว่าใจของเราไม่มีที่เกาะไม่มีที่ยึดเพราะฉะนั้นถ้าจะหาที่เกาะให้แก่จิตใจก็คือสมาธินี่แหละ ตามหลักของพุท ธ, ธะพอเรามีที่เกาะที่พึ่งแล้วสิ่งไหนก็เข้ามากระทบกระแทกเราเราก็วิ่งเข้ามาหาเกาะเข้ามาหาที่กำบังเมาหาที่มุงที่บังที่กำบังลมฝนกระพือพัด ช, ชัดสะอาเข้ามาก็ไม่เราถึงจะถูกเราก็นิทิศน่อยงไม่เต็มเป่าแต่ถ้าหาว่าเราไม่มีที่กำบังแล้ว เ, เพอๆเราเสียกู้เสียคนเสียหลักไปได้ผลที่สุดก็จนถึงเสียอกเสียใจจนฆ่าตัวเองตายก็มามากต่อมากเพราะเหตุไรเพราะไม่มีทางออกเพราะฉะนั้นหลักธรรมคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้ า, เาท่านให้ถึงจะเราจะมีกิเลสยังไม่ตัดไม่ขาดแต่ถึงยังไงก็ให้มีส่วนหนึ่งให้เป็นเกาะเป็นที่กําบังคือพยายามทําจิตให้สงบ ทำจิตให้เป็นหนึ่งถ้าเราทําอย่างนี้ได้ชีวิตของพวกเราก็จะมีความสงบร่มเย็นเป็นสุกการทําสมาธิเนี่ยเป็นประโยชน์อันยืดยาวนานถ้าเมื่อเราทําสมาธิดีแล้วใจของเราเป็นจิตใจของเรามั่นคงแล้วเรื่องต่างๆจะเข้ามากระทบกระแทกจิตใจของเราก็ไม่สะท้านไม่หวันไหวเหมือนกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์อย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็น ถึงจะมรณะภัยก็ดีฉลาความฉลาเข้ามาก็ดีเก็บไข้ได้ป่วยเข้ามาก็ดีท่านก็ไม่หวัน่นไม่ไหวเออเพราะว่าโลกมันเป็นอยู่อย่างนี้เราจะไม่ให้เป็นอย่างนี้มันเป็นไปไม่ได้แต่พระธรรมคําสั่งสอนของพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนใจให้ใจรู้ให้ใจเข้าใจในสิ่งเหล่านั้นคนเราเกิดมาแล้วแก่นะเจ็บนะตายนะไม่เป็นอย่างอื่นเป็นอย่างนั้น ที่ว่าปฏิบัติธรรมแล้วจะไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายอย่างนั้นใช่ไหมพระพุทธองค์ไม่ได้ยืนยันอย่างนั้นพระพุทธองค์เองก็ปรินิพานเหมือนกันพระอรหันต์ทั้งหลายท่านไม่ได้ยืนยันอย่างนั้นแต่ท่านยืนยันว่าใจของท่านเองจะไม่หวั่นไหวถ้าเมื่อสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นกับตัวของของท่านเองเออเกิดแล้วเหรอพร้อมแล้วเหรอถึงข่าวเราแล้วเหร อ, อ, อหมดชีวิตของเราแล้วเหรออ้าวไปก็ไป ท่านยอมรับอย่างนั้นอันนี้ก็เหมือนกันพวกเราท่านทั้งหลายปฏิบัติธรรมอย่าไปคิดว่ า, เ, าเมื่อผู้ปฏิบัติธรรมแล้วจะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเป็นไปไม่ได้ เ, เป็นไปได้คือคือให้รู้แจ้งเห็นจริงในธรรมคือจิตใจของเราไม่ทุกข์กับสิ่งที่มันมาเกิดที่มันมากระทบเราถ้าว่าพวกเราประพฤติปฏิบัติธรรมไปแล้วใจของเราจะไม่หวั่นไหว จะไม่ท <unlucky. S 2> ุกข์ไม่ร้อนกับสิ่งที่มันมาเข้ามาเกี่ยวข้องเรารู้เรารู้เรารู้จักรู้เรารู้เราปล่อยเราวางเราไม่ยึดมั่นถือมั่นไม่ถือมั่นยึดมั่นถือมั่นคือไม่ยึดมั่นที่อื่นไม่ได้ปล่อยวางหรือปล่อยวางที่ใจของเราเองไม่ใช่ปล่อยภางนอกนะปล่อยที่ใจเอใจของเราเนี่ยปล่อยอยู่ที่นี่ถ้าเรารู้จักปล่อยรู้จักวางแล้วใจของเราจะมีความสุขในระดับหนึ่ง ใจของเราจะไม่ว้าเหวไม่อ้างว้างไม่เงียบเกลีไม่ซึมเศร้าพราะเรารู้จักที่ปล่อยที่วางให้ไม่ยึดมัน่นถือมัน่นรู้เห็นตามความเป็นจริงโลกมันเป็นอยู่อย่างนี้ไม่เป็นอย่างอื่นเกิดขึ้นมาแล้วก็แก่แก่แล้วมากเก็บแล้วก็มาแล้วก็ตายมันเป็นอยู่อย่างนี้แต่ก่อนที่จะตายนั่ะเราควรจะทําสิ่งไหนเอาไว้ควรจะเก็บหอมลอมริบเรื่องอะไรศีลธรรมจริยธรรมทานศีลภาวนาอันนี้ เป็นหน้าที่ของพวกเราจะต้องขนขวายจะต้องนํามาประพฤติปฏิบัติเข้ามาสู่กายเข้ามาสู่ใจของเราพอตายแล้วไม่สูญอย่างที่ได้กล่าวไว้เบื้องตน้นว่าพระพุทธเจ้าตัดรู้อะไรวิญญาณนไม่ตายแต่ออกจากร่างนี้แล้วไปพบไปเกิดพบหน้าชาติหน้าเป็นร่างอื่นขึ้นมาอีกด้วยบุญด้วยกุศลด้วยบาปอากุศลถ้าเราทําบาปอากุศลบาปอากุศลก็จะให้ผล เป็นจัดสาลาสิงห์ต่างๆที่พวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นแต่ถ้าว่าพวกเราสั่งสมบุญกุศลบุญกุศลก็จะพาพวกเราไปสู่สุขติมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ไปเลือกเกิดได้เพราะเรามีบุญพาไปเกิดเพราะฉะนั้นพวกเราอย่าตั้งอยู่ในความประมาทให้สั่งสมบุญกุศลเอาไว้ตายแล้วไม่สูญให้ฟังเอาไว้ว่าตายแล้วไม่สูญพระพุทธเจ้าได้พิสูจน์มาแล้วตัดรู้มาแล้ว ญยาณะทัศนะของพระองค์รู้แล้วมนุษย์เนี่ยตายแล้วไม่สูญสิ่งที่จะให้มนุษย์มีความร่มเย็นเป็นสุขให้ทำใจให้ดูใจเอาสมาธิเข้ามากากับใจทำใจให้สงบทำใจให้เป็นหนึ่งไม่ทำใจให้วุ่นวายแต่ถ้าว่าใจของเราวุ่นวายใจของเรากระสับกระสายใจของเราปุ่มฟุ้งซ่านออกไปข้างนอกหาความสงบสุขไม่ได้เผลอเผลอเป็นบ้าเป็นบอ เข้าโรงพยาบาโลโรคประสมโรคประสาทไปแล้วแต่เนี่ยพอเหตุไรพอเราปล่อยใจเกินไปเพราะนั้นเราควรจะฝึกหัดเรื่องจิตภาวนาเป็นสิ่งจําเป็นสําคัญอย่างยิ่งเพราะนั้นเรื่องทานก็ดีศีลก็ดีภาวนาก็ดีเป็นหน้าที่ของพวกเราท่านทั้งหลายทานะคือการให้ถ้าพวกเราเกิดมาในภพใดชาติใดถ้าผู้ใดทําบุญทําทานยินดีในการทําทาน เกิดมาพบใดชาติใดก็เป็นผู้ไม่อดไม่อยาใครเป็นผู้มีศีลเกิดมาพบใด้ชาติใดศีลคุ้มครองอชีวิตก็ยืนยาวไม่เจ็บไข้ได้ป่วยมีสามีปัญญาเขาว่าง่ายสอนง่ายเพราะว่าอยู่ในกรอบของศีลธรรมจิตใจเมื่อผู้ใดภาวนาจิตใจก็ได้รับการมีสติมีปัญญาคิดอ่านไตรตรองเหตุและผลก็คล่องแคล่วว่องไว ถูกต้องเป็นธรรมเพราะว่าเป็นผู้มีสติมีปัญญาเพราะเคยฝึกขาดจิตภาวนามาไว้แล้วนะเพราะนั้นเรื่องทานก็ดีสินก็ดีภาวนาก็ดีเป็นพาจิตใจของเราไปสู่ความสงบร่มเย็นเป็นสุขแต่ว่าขาดอันใดขาดอันหนึ่งก็ยังขาดถา้าเกิดมาพบใดชาติใดชาติหนึ่งถ้าไม่เท่าอนิสงทานของเราไม่มีก็ อ, อ, อย่างที่พระอรหันต์บางท่าน ไปบินทบาทไม่มีใครใส่บาทให้เพราะว่าอนิสงทานท่านไม่มีอย่างท่านพระพายยะอย่างเนี้ย อ, อ, องค์อื่นท่านเป็นพระอรหันต์แล้วท่านออก็เอหิปิโกอุปสัมปทาท่านเป็นภิกษุมาเถิดบริขารก็ลอยมามีมีผู้อมารลอยมาแต่พระพายยะนี่ไม่เคยทันบริจาคบริขารเพราะพระองค์เรียกไม่ได้บอกไม่ได้เพราะเหตุไรเพราะไม่เคยบริจาคอัฏฐบริขารมาก่อน ท่านก็ให้ไปส่อแสวงหาเองอันนี้แหละให้ว่าอ น, นิี้สงทานเนี่ยไม่ได้ไปไหนเข้ามาสู่จิตสู่ใจของพวกเราทั้งนั้นเพราะนั้นเรื่องทานก็ดีศีลก็ดีภาวนาก็ดีควรสั่งสมเป็นอย่างยิ่งปุญญาณิปัลโลกัสมิงปฏิทถาหนติปานิหนังบุญย่อมเป็นที่พึ่งของสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งโลกนี้และโลกหน้านะเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลาย เมื่อได้ยินได้ฟังที่หลวงพ่อได้บรรยายมาก็เห็นว่าพอสมควรแล้วก็เน้นหนักจุดที่ว่าจิตตภาวนาพระพุทธเจ้าภาวนาอะไรเนี่ยพระพุทธเจ้าภาวนาอะไรท่านจึงได้บรรุได้ตัดสรุธรรมในวันนั้นกําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกหายใจออกสั้นออกยาวให้มีสติกับลมหายใจเข้าออกนั้น เหมือนกับเรายืนอยู่ข้างประตูอย่างนั้นน่ะคนมาเข้ามาเราก็รู้คนออกไปเราก็รู้แต่ไม่ต้องตามคนเข้ามาและไม่ต้องตามคนทีออกไปอันนี้ก็เหมือนกันเมื่อลมผ่านปลายจมูกเข้าไปเข้าไปในท้องเราไม่ต้องตามเข้าไปเมื่อลมออกไปเราก็ไม่ต้องไม่ต้องตามลมออกไปเหมือนกับเรายืนอยู่ข้างประตูเอาสติจําอยู่ที่ปลายจมูกแต่พวกเราจะรู้ได้อย่างไงว่าลมมันเข้าลมมันออก เราไม่เคยฝึกมาก่อนอย่างเนี้ยบางท่านนะไม่เคยฝึกมาก่อนเราจะทํำยังไงให้เราหายใจเข้าแรงๆนะคล้าย ๆ, ห, ๆหายใจเข้าแรงๆลมกระทบที่ไหนในปลายจมูกมันต้องมีจากนั้นก็หายใจออกแรงๆยาวๆแล้วก็หายใจเข้าแรงๆสุดหายใจเข้าแล้วก็ปล่อยหายใจออกแรงๆ ห, หายใจออกทําอย่างนี้สักสามสี่ห้าหกครั้งเราก็พอจะสังเกตได้ว่า ลมกระทบที่ไหนจากนั้นเราออกโสติจับที่ตรงนั้นละ่ะเอาจับที่ลมกระทบน่ยเวลาหายใจเข้ามันจะเย็นแ้วกับพุธเวลาหายใจออกก็โทไม่ส่งจิตไปทางอื่นนี่หละวิธีการปฏิบัติไม่มีอย่างอื่นเพดังนั้นพวกเราท่านทั้งหลายพระพุทธองค์ท่านก็ไม่ได้ยกขูยกคายอะไรที่โคนต้นโผธท่านก็กําหนดของท่านเองเพราะนั้นพระพุทธเจ้าสอนเราแล้วครูบาอาจารย์สอนให้เราแล้ว เราก็นํามาประพฤติปฏิบัติไม่ต้องยกขู่ยกคายเหมือนกันว่างั้น เ, เออบู่ที่ไหนก็ได้นั่งรถไปก็ได้แอบนั่งที่ไหนก็ได้ที่สงบสงัดแต่จะไปนั่งอยู่ที่วุ่นวายเท่านั้นอ่ะจะไปนั่งในที่วุ่นวายเราก็ไปนั่งขัดสมาธิแอบอวดแขกอวดคนเขาก็ไม่ถูกนะแอบเราตั้งจไหนก็นั่งเก้าอี้ก็ได้นั่งอย่างงี้หลับตาไปเลยพุโทโธลมกําหนดลมหายใจได้ทั้งนั้นแอบไม่จําเป็นจะน้องขัดสมาธิ นั่งยังไงก็ได้กําหนดลมหายใจสรุปแล้วคือให้มีสติในขณะที่นั่งนะ เ, เมื่อนั่งไปแล้วบางคนก็อาจจะมีพอนั่งไปเบื้องใหม่ๆพอนั่งเข้าไปแล้วอาจจะมีนิมิต เ, เห็นคนล้มคนตายเห็นผูดผีปีศาจหินสิ่งที่ไม่พึงปรารถนา เ, เห็นไฟเห็นด้านลกอะไรก็ตามนะเราจะไปสนใจให้ย้อนจิต ให้ย้อนกลับให้ย้อนจิตเข้ามาหากรรมาฐานเดิมนะสม่งเมื่าเราเราภาวนากําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยในเมื่อเรานั่งสมาธิแล้วนิมิตมันใจมันสวัสดไปมันมีนะอ่า อ, อันนี้คือพูดไว้ก่อนนะเออบางทีก็ไม่กล้านั่งภาวนาเพราะกลัวเนี่ยหลวงพ่อได้ยินมาหลายๆลายคนพอนั่งภาวนาไปเห็นนิมิตเบางทีเห็นคนตายโอ้โหกลัวมากเลยไม่เคยไม่เคยเห็นอย่างนี้มาก่อน ก็เลยไม่กล้านั่งกลัวเองจะกลัวตัวเองจะตายนะแต่ตามมจริงเราไม่ต้องกลัวนะเมื่อได้ยินได้ฟังจากหลวงพ่อพูดแล้วบอกว่าไม่ต้องกลัวเอเมื่อเห็นสิ่งเหล่านั้นขึ้นมาไม่ต้องดูย้อนกลับย้อนจิตกลับมาหากรรมฐานเดิมคือกำหนดลมหายใจเข้ามาหากรรมฐานกำหนดลมหายใจเข้าหายจอกนิมิตเหล่านั้นมันจะหายเหมือนปิดเทิ้งเลยว่างั้นถเถอไม่ต้องกลัวาจากนั้นก็นั่งภาวนาต่ออย่าให้มันแสลบออกไป เนี่ยท่าสแลบบอกไปเอากลับมาหากรรมฐานเดิมอีกนีอันนี้ถ้ามันเป็นอย่างนั้นน่ะถ้าไม่เห็นก็ไม่เป็นไรกาหนดลมกําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกพุทโธพุทโธเออบางคนก็นั่งไปเหมือนกับตกเหวตกบบาบางคนก็พอนั่งไปนั่งไปลมก็หายไปหายไปหายไปหมดลมเอหมดลมจะทํายังไงกลับมาหายใจอีกอันนั้นอันนั้นไม่ถูกแล้วนะที่นี้นะเอ่อถ้ามืหมดลมแล้ว ลมหายไปหมดแล้วร่างกายหายไปหมดแล้วให้เอาสติไปอยู่ที่ตัวผู้รู้นะใครรู้ว่าลมหมดใครรู้ว่าร่างกายร่างกายมันหายไปใครเป็นคนรู้เอาสติไปอยู่ที่ตัวผู้รู้ไม่ต้องภาวนาไม่ต้องกําหนดลมเออเอาสติไปจับอยู่ตรงนั้นเท่านั้นเออไปจับอยู่ตัวผู้รู้เท่านั้นนหะท่นี้เออไม่ต้องส่งไปทางอื่นนี่แหละวิธีการปฏิบัติถูกต้องนะ เพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายถ้าวัดเป็นยังไงต่อไปภายภาคหน้าปฏิบัติไปแล้วจึงค่อยถามครูบาอาจารย์ที่ท่านปฏิบัติจิตตะภาวนาถ้าข้องใจมาถามหลวงพ่อหลวงพ่ อ, พอจอธิบายให้ฟังถ้าอยู่ใกล้ครูบาอาจารย์องค์ไหนที่ท่านประพฤติปฏิบัติท่านก็จะอธิบายให้พวกเราได้ยินได้ฟังเหมือนกันเพราะครูบาอาจารย์ที่ท่านอยู่ปา่าดวงพงไพ่เนี่ยท่านก็ภาวนาของท่าน แอบสม่ำเสมออยู่ตลอดเพราะนั้นท่านฝึกอยู่เสมอเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายญาติโยมทุกทกท่านนะที่หลวงพ่อได้บอกได้กล่าวมืนี่ก็นําไปประพฤติปฏิบัติถึงจะอยู่บ้านอยู่เรือนอยู่ในสถานที่ใดก็ตามก่อนหลับกอ น, นอนหรือตื่นนอนขึ้นมาแต่เช้าว่างๆหรือวัดเวลาเดินเวลาเดินก็เหมือนกันเดินรอบสะเดินรอบอะไรก็ตามขาขวาพุดธขาซ้ายโถพุดโถพุทธโถจิตใจของเราจะเข้มแข็ง จิตใจของเราเข well. ้มแข็งเบิกบานเราไม่ส<น>ะทกไม่สะท <far> nah, น no pareil, านร่างกายของเราก็จะดีขึ้นด้วยเพราะใจของเราไม่พิตกไม่กังวลแต่ถ้าว่าใจของเราพิตกกังวลกับเรื่องนั้นเรื่องนี้จิตใจของเราก็ร่างกายของเราก็ห่อเหี่ยวพิตกกังวลจิตใจก็เศร้าหมองเปลือใจเศร้าหมองร่างกายก็เศร้าหมองไปด้วยเหมือนกันเพราะนั้นอย่าให้เรื่อง อะไรขึ้นมาเครียดเครียดจะให้มีว่างั้นะปล่อยมันไปวางมันไปทําใจให้ ส, บ, สบายๆนะเพราะนั้นให้ภาวนาเนี่ยแหละไม่มีอะไรที่จะทําให้ใจเบิกบานได้ยิ่งกว่าการภาวนาการปฏิบัติกําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกพุโทโธพุโทโธเวลาเดินจกิ่งกรดีจะเดินอะไรก็ตามขาขวาพุทขาซ้ายตัวให้มีสติในการเดินนะหลวงพ่อว่าเมื่อพวกเราทำได้อย่างนั้นแล้วนะ พว ก, กจิตใจของเราจะได้รับความสงบพรมเย็นเป็นสุขนะการพูดการแสดงทรมขอเห็นว่าพอสมควรในวันนี้ขอยุติต่อ น, นี้ไปนั่งสมาธินาะทีนี้นะกำหนดลมหายใจอย่างที่หลวงพ่อได้ ก, กล่าวที่ได้แนะนำไปแล้วนั้น